เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาภัยบูนอภิปุลโนเจ้าวัดป่าดอนไหโศกเป็นประจำทุกวันทัมบุฟังเป็นการเปิดสถานีข้าพเจ้ามาพบกับทรมบุฟังเพื่อที่ให้ได้ฟังธรรมะเป็นสิ่งแรกเริ่มของวันเพื่อเรามีภูมิคุ้มกันทัมบฟังคุ้มกันจิตจากกระแสความกดดัน จากเหตุคือเจ้าตันหาราคาอวิชาพวกนี้มันสร้างเป็นกระแสกดดันทําให้ใจของเราเป็นทุกข์ได้เราจะต้านกระแสะทวนกระแสะนี้ให้มีภูมิคุ้มกันได้จิตใจเราต้องมีธรรมะมีความเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องมีธรรมะแล้วเราจะทวนกระแสะได้เแล้วเราจะมีความเข้าใจให้ถูกต้อง จิใ จ, จมีธรรมะได้อย่างไรการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนี่แหละช่วยได้ตบูฟังเป็นเหตุด้วยตรงเลยเมื่อเรามีการฟังธรรมนำธรรมะที่ได้ฟังนั้นปฏิบัติให้ได้เป็นอย่างนั้นมีความเข้าใจเกิดขึ้นนำเข้าสู่ในหัวใจเราแล้ ว, ลวมีความเข้าใจอย่างดีแล้วอันนี้เป็นภูมกุ้มกันได้เราฟังไปบางเรื่องก็เข้าใจบ้าง บางเรื่องก็ไม่เข้าใจบ้างใช่ไเรื่องที่เข้าใจก็ดีทาความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องที่ยังไม่เข้าใจาเราเข้ า, ยาพยายามฟังพยายามไคร์กรวนต่อไปมันก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นได้มากขึ้นตามลําดับลาดับไปอันนี้เป็นการดีอย่าเพิ่งไปท้อแท้ท้อถอยว่าโอ้บางเรื่องก็ไม่เข้าใจสับบางคำก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้ไม่รู้ทุกคำไหมต่บางคามันก็รู้ หลาที่รู้นี่ก็รู้ส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าไม่ใช่ผู้ภาษาต่างประเทศก็พูดภาษาไทยเรานี่แหละคําที่เรารู้เราก็เข้าใจสองส่วนนั้นไปคําที่เรายังไม่รู้เราก็ยกไว้ก่อนแล้วไว้ค่อยมีความรู้เพิ่มขึ้นก็ค่อยทําความเข้าใจไปแต่แล้วถ้าบอกว่าไม่เข้าใจตรงไหนต้องการคำอธิบายใดๆเราก็สามารถเขียนมาถามได้โดยทั้งผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้ โดยเกียนเป็นจุดหมายหรือว่าปริศนียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู 8, ่แปดตำบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ p, o p e o a m m c p u r e d h a m m a c o m แต่ที่ต้องมีการถามมีการให้ข้อมูล หรือว่ามีการทำความเข้าใจให้ถูกต้องเนี่เพื่อที่ว่าไม่ให้ความรู้หรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนี่มันจะกลายเป็นงูพิษกับการปฏิบัติของเราอันนี้บําบัดปุถุชาเตือนเอาไว้เตือนไว้ถึงการที่ถ้าบอกว่าเราเข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องอันนั้นนหะเป็นงูพิษการที่เราเข้าใจโดยอัฏฐาก็ตามโดยปยัญชนะก็ตามเข้าใจไม่ถูกต้องตามความหมายของผู้ที่เขา อธิบายธรรมะเอาไว้นี่การเข้าใจไม่ถูกต้องตามความหมายของเขาเนี่ยอันนี้มันทําให้เป็นงูพิษน่ะพิษมันก็จะเริ่มซ่านไปละก็จะเริ่มพ่นออกมาทางปากบ้างพ่นออกมาเป็นมิจฉาทิฏฐิบ้างน่ะเมื่อใจมันบิดเบี้ยวไปแล้วน่ะวาจาก็เป็นมิจฉาวาจาไปการกระทำก็เป็นมิจฉาต่างๆเกิดขึ้นตามมาในนั้นประวัติเข้าใจยังไม่ถูกแตงจรงต้องทําความเข้าใจให้ถูก ทั้งบทด้วยเนะื่ยบทนี้หมายถึงบทเพียนชนะทั้งโดยอัถะคือความหมายด้วยเนะี่เมื่อเข้าใจถูกทั้งสองอย่างนี้เนะี่ยมันถึงจะเรียกว่าสิ่งนั้นไม่เป็นงูพิษเข้าใจนี่คือจําได้แล้วใช่ไหมก็เอเข้าสู่หัวใจโดยการปฏิบัติโดยการทําให้เกิดขึ้นคํานคะําหนึ่งท่านฟังที่คิดว่าจะยังมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอยู่แลยทําให้เกิดเป็นงูพิษในบางสถานการณ์ จึงอยากจะนำคำนี้มาอธิบายกันให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคาที่ว่านี้ก็คือคำว่าพยากรณ์นะคาว่าพยากรณ์ศั์คานี้ในความหมายที่เราเอาไปใช้ที่ใช้กันทุกวันเลยนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวฟังข่าวเนี่ยตอน 7.00 ดโมงเเดีย๋ยวเขาก็บอกลนะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่23มีนามมีนาะคมเก็จะบอกว่าดวที่ขึ้นตรงนี้ เวลานี้จะมีฝนที่นั่นที่นี่อากาศอุณหภูมิจะประมาณเท่านั้นเท่านี้นตามที่ต่างๆอันนี้เราเป็นการพยากรคือเป็นการคาดการณในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนันนี้คือในในความหมายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะกรมบุตุตนิยมวิทยาก็จะมีพยากรอากาศซึ่งในคำนี้เนี่ยมันตรงตัวเลยท่านฟังเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีแล้วพยากรณ์นี่ ก็ยังใช้ในเรื่องอื่นๆเช่น ว, ว่าคุณมาหาหมอดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออพ uh, ยากรณ์มาคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหรือพยากรณ์มากุณเป็นอย่าง น, าาาา น, นั้นอย่างนี้มาเนี่ยชาติที่แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ชาตินี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้่แล้วก็แต่ทำอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปอาจจะได้เป็นอย่างนั้นอย่าง น, นั้นนี่อันนี้คือลนะักษณะการพยากรณ์หรือว่าใช้ในความหมายที่เราหมายถึงว่า าการคาดเดาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป่นะว่าคาดเดา ว, ว่าอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งในคำคานี้ตะวุฟังเรามาทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งนิดหนึ่งว่าในความหมายของคำว่าพยากรณ์เนี่ยที่มาจากศับเดิมในภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้ความหมายกันอย่างไรถึงจะถูกต้องแต่เพราะว่าคาคานี้ถ้าเราดูจากรากสับเนี่ย จะสามารถแยกศัพท์กันได้หลายอย่างแหละนักเรียนที่เขาเรียนภาษาบาลีเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์สับสับนี้มีรากศัพท์อะไรมีคํานําหน้ามีคําต่อท้ายอย่างไรในะซึ่งเราดูที่คําคํานี้เราจะพบว่ามีรากศัพท์คําหนึ่งที่สําคัญมากเลยจึงเป็นเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยต้องมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในะคําว่าพยากรณ์เนี่ยมาจากรากศัพท์ของคําว่ากระนะในซึ่งหมายถึงการกระทำในะเป็นการกระทำที่กระทํามากกระทําบ่อย กระทำจนชํานาญกระทำจนมีความแคล้วคล่องมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างเต็มที่จึงสามารถพยากรได้นี่ยนี่คือความหมายของคํานี้นะตามศัพท์เดิมที่เขาใช้กันเนี่ยจะต้องหมายถึงอย่างนี้ตัวยอย่างเช่นอะไรเดี๋ตัวยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเดื๋ยจะพยากรณ์คําตอบของคําถามใดคําถามหนึ่งที่เขาชงมาถามเนี่ย จะตอบให้เป็นธรรมะการที่พระพุทธเจ้ามีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเป็นผลของสิ่งที่ท่านได้ก ร, ระทำมาโดยความเป็นภควา่าโดยความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะโดยความเป็นผู้ที่มีวิชามีจรณะโดยความเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้ก ร, ระทำมาโอโ้โหไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าสี่สงไขยแสนมหากรแต่มันนานกว่านั้นมากนะกในมีการก ร, ระทํามาอย่างช่ำชองทําให้คําพูดที่ พระพุทธเจ้าพูดออกมาเนี่ยจึงเป็นการพยากรณ์แเป็นการที่ได้กระทาโดยแจ่มแจ้งชัดเจนรู้แล้วจึงพยากรณ์ออกมาได้ว่าอะไรนะว่าตัวฉันนี่เป็นอรหันต์สัมมาสัพพุโตเป็นต้นแต่ว่าคนนี้เขาทำนาะนี้ทําอันตรายสามารถที่จะทําให้เกิดอกุศลได้จริงการกระทำของคนนั้นเป็นการกระทําที่ดีเป็นกุศลสามารถทําให้ใบสวรรค์ เป็นเหตุให้ถึงนิพพานได้จริงแ น, นี้เป็นลักษณะการเบี่ยงเบเอาตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนแบบเปรียบเทียบกับเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองราชชุกฤตที่วัดเวรุวันก็ได้พูดคุยสนทนาตรัสกับอภยาราชุกุมา น, นถึงเรื่องความสามารถของพระองค์ในขณะในการที่ช่ำชองในเรื่องของธรรมะเปรียบเทียบกับตัวท่านอภยาราชุกุมาร ซึ่งมีความรู้มีความช่ำชองเป็นนักเลงรถแต่ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยรถเก๋งคนที่แบบชอบแต่งเครื่องยนต์เนะี่ยพวกนักเลงรถเนะี่ยพวกที่ชอบซ่อมรถชอบดูส่วนประกอบต่างๆนะแกะมาดูแกะมาทำํำนะวันๆก็ไปอยู่ที่อู่ซ่อมรถเนะพื่อที่จะคอยดูแต่งรถฉันจะแต่งเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะนะเปลี่ยนเครื่องอย่างไร ตรงไหนคือเทอร์โบตรงไหนคือคาร์บูเรเตอร์แต่เดี๋ยวนี้คาบูเรเตอร์ไม่มีเปลี่ยนเป็นหัวฉีดไหนนระบบไฟฟ้าไหนกล่องควบคุมความจำไหนตรงไหนเป็นโชคอัพโชคอัพแบบไหนระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์นะครับเครื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังเนี่ยพวกนักเรงรถเนี่ยเขาจะทราบแต่ชี้ไปตรงไหนเขาจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้อะไรแต่เออแค่มองแค่ภายนอกมองแค่ภายนอกของรถเนี่ย ก็จะรู้แระวบาออรรถนี้มันรนุ่นนี้แต่ทําปีนี้ในะเครื่องดีเซลหรือเบนซินแตนะ่มีความแรงเท่าไหร่แนตะ่ก็จะทราบด้วยความที่เขามีความชานาญมีการกระทํามาอย่างดีในะเบรยเหมือนกับอพยพราชจุมาร น, นี่แหละแต่กนะนะ็มีความช่ำชองมีความชํนานาญในเรื่องของรถซึ่งสมัยก่อนนั้นก็คือเกวียนบะ้างรถที่เป็นเกวียนอันนี้ก็คือหมายถึงว่าชาวบ้านนี่ยเขาจะ ใ, ในการที่จะบรรทุกสินค้าทางการเกษตรต่างๆหรือว่าไปค้าขายตามหัวเมืองนั่นก็จะมีลักษณะเป็นเกวียนอย่างนี้ก็มีหรือเป็นลักษณะเป็นรถอย่างเช่นรถศึกรถม้าอย่างนี้ที่ว่าม้าจะลากไปหรือว่าโคจะลากไปนนในการที่จะขนสินค้าหรือจะเป็นรถศึกในที่ใช้เข้าในการทําศึกสงครามเนี่ยก็จะต้องเป็นใช้ม้าในการลากไปให้มีความเร็วมีกําลังในซึ่งส่วนประกอบของรถเนี่ย มันจะต้องประกอบกันอย่างดนะีเพื่อที่จะให้สามารถรับแรงดึงของสัตว์ที่ลากไปรับแรงสัน่นสะเทือนแต่เขาก็จะต้องมีเทคนิคในการใส่ริมไม้เป็นต้นมีเทคนิคในการประกอบโครงในะลนักษณะของโครงเป็นอย่างไรสว่วนประกอบต่างๆของรถหรือเกวียนนะเช่นจะต้องมีทูปแต่ทนะูบนี้คือหมายถึงว่าไม้ที่จะไปล็อกกันกับสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะดึงใบข้างหน้า นะมีคารมีแปลกมีดุมอะไรต่างๆโอ้เขาจะต้องมีรายละเอียดรถนะ ล, ล้อตรงล้อเนี่ล้อเขาจะเรียว่าเป็นกรมในะตรงบงล้อที่กระทบกับพื้นดินอันนี้ก็เป็นกงอย่างเงี้ยซึ่งถ้าชี้ไปตรงไหนเนี่ยคนที่เขาเป็นนักเลงรถนยะโยชิวงยิ่งสมัยก่อนในการกระทามันไม่ได้แค่ไปซื้อมาตามร้านเหมือนอย่างที่เราเป็นสมัยปัจจุบันนี้นะเขาจะต้องเอาไม้ มาประกอบเข้าเป็นส่วนๆแต่แต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยก็ต้องมีรายละเอียดในการเข้าเล่มเข้าล้อต่างๆกันแต่มีเพลามีกงล้อมีเขียงมีแอกแลนะซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากท่านผูฟังแต่ก็เหมือนกับในสมัยปัจจุบันนี่แหละแต่เวลาคุณจะประกอบรถยนต์เข้าเป็นสักคันหนึ่งเนี่ยโอ้โหคุณจะต้องมีความชานาญมากแตนะช่างนี้จะต้องมีประสบการณ์ในการทําการเข้าเจอปัญหาต่างๆ แต่เขาถึงสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าไอ้เวลารถเสียมาเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่หรือว่าส่วนนี้ของรถอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าโกงอันนี้ก็เรียกว่ากำอันนี้เรียกว่าดุมซึ่งคนที่สามารถจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีความชํานาญความชำนาญ น, นั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาทำอยู่กับมันอยู่กับมันนะทำอยู่บ่อยๆจับอยู่แต่สิ่งนี้ มีความเชี่ยวชาญเป็นนักเลงรถถึงมีความเข้าใจตรงนี้ได้อันนี้เปรียบเทียบกับกรณีของท่านอภิยรจุกุมารนที่มีความคลุกอยู่กับรถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรถเนี่ยก็สามารถพยากรณ์ได <shit Mid> ้เลยแต่โดยที่ไม่ต้องไปเตรียมไว้ก่อนจุนว่าคือไม่ต้องไปเตรียมว่าถ้าเขาถามอย่างนี้ฉันจะตอบอย่างนี้หรือว่าถ้าเขาถามอย่างนั้นฉันจะตอบอย่างนี้ไม่ต้องเตรียมการไว้ก่อนแต่รู้ได้ทันทีว่าถ้า ถามเรื่องนี้มาจะตอบแบบนี้่ถามเรื่องนี้มาก็ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะมันไม่เป็นอย่างอื่นก็ ม, น hacia, มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบกลับไป ก, บกับการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอบคําถามของคนอื่นๆ <fit. S 2> นะว่าเฮ้ยเขาถามอย่างนี้มาในเรื่องธรรมะเราจะสามารถพยากรณ์ตอบกลับไปในลักษณะนี้นั้นันได้แต่ด้วยความเข้าใจที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปักวาร์มีความเข้าใจในเรื่องธรรมะอย่างมากมีความช่ำชองอย่างมาก เป็นเพราะว่ามีการกระทํามาอย่างดีเราะฉะนั้นในคําว่าพยากรณ์เนี่ยอีความหมายหนึ่งในที่ใช้ในสมัยพุทธกาลก็คือเป็นเรื่องของการตอบนะการตอบคําถามนี่แหละแต่เขาถามเรื่องนี้มาคุณจะตอบบ้างไงซึ่งในการคําว่าพยากรณ์เนี่ยมันก็มีทั้งพยากรณ์โดยชอบแล้วก็พยากรณ์โดยไม่ชอบแต่ซึ่งถ้าเราจะพูดถึงคําว่าพยากรณ์ในความหมายของการตอบคําถาม แต่ก็ถามอะไรเราอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราไม่รู้เรื่องนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าพยากรณ์ไม่ได้หรอกเพราะว่ า, วาคำนี้เนี่ยนะมันชัดเจนอยู่ในคำของมันแล้วว่าต้องมีการการะทาที่คุณแบบช่าชองเป็นอย่างดีในการที่คุณตอบหรือคุณอธิบายเข้าไปเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นพยากรณ์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องนั้นอย่างดีเนีไม่มีความชำนาญในเรื่องนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ก็เรียกว่ามั่วต่อไปก็ตอบมั่วม่วตอบมั่ว ม, ว, มวนี่ก็คือการพยากรณ์โดยไม่ชอบเ ร, เรียกว่าไม่พยากรณ์โดยชอบในบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้ชัดเจนแค่จําควาหมายเฉยแจําคําพูดของคนนั้นเขาถามอย่างนี้เขาเคยตอบอย่างงี้นะหรือว่าจําคําพูดของพระพุทธเจาได้รพระพุทธชจาพูดอย่างนี้ฉันจําตรงนี้ได้แต่ถ้าคนอื่นถามอย่างนี้ฉันก็จะตอบแบบนี้ละ่ะ แต่ว่าตัวเองไม่ได้มีความชํานาญไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่ได้เคยกระทั่งไม่ได้เคยปฏิบัติในการตอบไปตรงนั้นก็เนก็ไม่ใช่ว่าเป็นการตอบโดยชอบไม่ใช่ว่าเป็นการพยากรณ์โดยชอบเนื่อเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีการการะทําการปฏิบัติให้มันดีให้มันเข้าใจโดยชอบซึ่งไอการพยา ก, กรณ์ในความหมายที่เราจะตอบหรือว่าเราจะอธิบายหรือในความหมายที่เราต้องการจะคาดเดาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ใช่การคาดเดาเลยน่างต่างปัง เพราะว่ามีความชํานาญมากคือเป็นการที่เรียกว่ามันเป็นอย่างนี้แน่นอนในเช่นครมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเวลาเขาไยากรณ์อากาศใช่ไหมคือเขาไม่ได้ว่านั่งเทียนเอานะคือเขาไม่ได้นึกเอาแต่เขาต้องมีเครื่องมือไปตรวจสอบนะเครื่องมือไปตรวจสอบมีดาวเทียมที่ยิงขึ้นไปนะดูการทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆทิศทางระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์แนละจึงสามารถที่จะคํานวณได้แนะพอจะคาดเดาวได้ ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ซึ่งถึงแม้ว่าเขาใช้คเครื่องมือขนาดนี้แล้วเนี่ยการคาดเดาแล้วก็ยังมีที่ผิดพลาดได้แต่ตอนนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นการคาดเดาแต่ว่าเป็นการคาดเดาที่อาศัยการกระทําและมีกระระคือการกระทําและโดยอย่างชํานาญโดยอย่างเชี่ยวชาญปรับปรุงสูตรสมการอะไรที่เขาจะคิดค้นขึ้นมาใส่คเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะทำให้การพยากรณ์นั้นมันได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น น, นีกเป็นลักษณะของการพยากรณ์คือการตอบโดยชอบวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่า่ถ้าเขาจะตอบโดยชอบนั่นคือพยากรณ์โดยชอบพยากรณ์โดยชอบและเขาต้องผ่านการการะทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งมาแล้วเขาถึงสามารถที่จะพยากรณ์ได้ในกรณีของพระพุทธเจ้าเรายกตัวอย่างไปละหรือ ว, ว่าสามกรูปใดรูปหนึ่งในที่มีความสามารถในทางจิตเบื้องสูงเช่นสามารถรู้อดีตอนาค ต, ตมีจตุปปาตยาน มีบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการกระทําโดยชอบเป็นการกระทําอันดีของท่านในที่ท่านมีศีลมีสมาธิจึงทําให้เกิดวิชาความรู้ต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาแต่มีการกระทําโดยชอบนะศีล ส, สมาธิปัญญานี่เป็นเรื่องที่เป็นไปโดยชอบแต่จึ่งพยากรณ์ได้ว่าออกคุณนิตายไปแล้วนะไปเกิดเป็นเทวดาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกซึ่งไอ้ตรงที่เป็นเทวดาหรือตรงที่เป็นสัตว์นรกเนี่ยเราไม่ได้เห็นกับเขาด้วยเข้าใจไหม ซึ่งเวลาที่เราไม่ได้เห็นกับเขาด้วยเนี่ยเราจึงไม่สามารถตรวจสอบในข้อนั้นได้แต่สําหรับผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นคํานี้ก็จึงใช้คำว่าพยากรณ์เนื่องากบางทีคนหนึ่งก็ไม่ได้รู้กับเราด้วยหรือว่าเราไม่ได้รู้กับเขาด้วยที่กขารู้แต่อันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องเป็นอนาคตนะแต่เรื่องปัจจุบันนี่แหละสมมุติคนนี้ตายไปเมื่อวานนี้วันนี้เขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาปัจจุบันนี้แหละไม่ใช่ว่าเป็นอนาคตเราก็เรียกว่าพยากรณ์ได้เหมือนกัน และนี่คือใช้ในความหมายที่เป็นปัจจุบันก็ได้หรือว่าค่าดาวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ได้ไปรู้ไปเห็นกับเขาด้วยก็ใช้คําว่าพยากรณ์ได้เหมือนกันและแน่นอนใช้ในเรื่องอดีต ด, ด้วยก็ได้นว่าคุณเคยเกิดเป็นอันนี้อันนี้ม า, าทราบว่าเป็นอย่างนี้่งนแต่ว่าคนที่เราพูดกับเขาให้ฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้ตามนั้นแต่ที่สําคัญในเรื่องคำว่าพยากรณ์นึ้นก็คือว่าคําพยากรณ์นั้นอาจจะแตกต่างกันก็ได้อยู่ที่การกระทํามา แตกต่างกันแเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นที่ป่าโคสิง์สารบันท่านผู้ฟังที่เป็นป่าที่สวยงามงามสงา่านักพิกษุก็อยู่กันหลายรูปมีท่านพระอนนท์ท่านพระสาธิบุตรท่านพระอนุรัตถาเป็นต้นเนี่ยท่านพระสาธิบุตรชงคําถามขึ้นแหละ ว, ว่าเ อ, อ้อป่านี้มันน่าจะงดงามนี่เพราะว่าใครมาอยู่อาศัยแต่ต่างคนต่างก็ตอบคนละแบบแต่ท่านพระอนนท์ก็บอกว่าเออพิกษุผู้เป็นผู้ศูนยนี่มาอยู่ที่นี่นถึงจะดีท่านพระเรวัตตาก็บอกว่าเอา ต้อมีภิกษุผู้ยินดีในการหลีกเล่ น, นมาอยู่ที่นี่มันถึงจะงามสง่าท่านท่า น, านพระอนุรุทธะก็พูดถึงภิกษุผู้มีที่พิจักสุญาณท่านพระสารีบุตรก็พูดถึงภิกษุที่สามารถเข้าอยู่วิหารสมาบัติได้ตามต้องการแต่ต่างคนต่างความเห็นท่านบุฟังเห็นไม่เหมือนกันนะําไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าการพยากรของเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นการพยากรณ์โดยชอบนะถูกแล้วดีแล้วแต่เนะพราะอะไรเพราะว่าแต่ละท่านท่านบุฟังลองคิดดู ท่านพระอนุนเป็นพระหูสูตรแต่ท่านกระทําเรื่องนี้มาอย่างมากและมีความเชี่ยวชาญมีคุณสมบัติของผู้เป็นพระหูสูตรจึงบอกว่าภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรมาอยู่ที่นี่แล้วมันถึงจะงามสง่าแต่ท่านพระเรวตตาเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของการหลีกเล่นกระทําเรื่องนี้มาอย่างมากแต่จึงพยากรณ์ว่าภิกษุผู้ที่หลีกเล่นมาอยู่ที่นี่มันถึงจะดีแต่ท่านพระอนุรุธาเอ้าโอ้ท่านมีการกระทําในเรื่องของทิพยจักรสูตรมาอย่างมาก ในมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ท่านก็บอกสิว่าภิกษุผู้มีทิพย์ย์จากสูเนี่ยมาอยู่ที่ป่านี้มัถึงจะดีพระพุทธเจ้าบอกว่าการพยากรของแต่ละท่านแต่ละคนในที่นั้นเนี่ยมันดีแล้วเป็นการพยากรณ์โดยชอบเอาทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนั้น ท, ท, ท, ทั้งๆที่ต่างความเห็นกันเพราะว่าคําว่าพยากรณนั้นหมายถึงการที่เขาเหล่านั้นได้กระทําแล้วโดยชอบแต่แต่ละท่านมีการการะทําในเรื่องนั้นเรื่องนั้นโดยชอบ ท่านพระสาริบุตรเนี่ยสามารถเข้าสมาธิออกจากสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ท่านก็จึงพูดไปตามความจนานาญความเชี่ยวชาญของท่านในการที่ท่านพูดไปตอบคําถามนี้ไปนั่นเป็นการพยากรณ์เพราะมีการกระทําที่ได้ทําดีแล้วเป็นการพยากรณ์โดยชอบแลนะซึ่งคํานี้เราใช้ให้ถูกความหมายในสมมติหวังนะเนื่อาะว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ไม่ถูกเนะี่ยตรงที่ว่าไปเที่ยวพยากรณ์ตรงนั้น ไปเที่ยวพยากรณ์ตรงนี้โดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้กระทําโดยชอบโดยที่ตัวเองนั้นก็แค่จําเข้ามาโดยที่ตัวเองนั้นยังปฏิบัติไม่ดีด้วยซ้ําแต่แต่เที่ยวไปพยากรณ์ตรงนั้นพยากรณ์ตรงนี้แต่ว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าตัวเองยังทําไม่ดีด้วยซ้ําแล้วก็ว่าคนอื่นกระทุ้คนอื่ น, น, นมันก็จึงเป็นลักษณะงูพิษขึ้นมาเอาแค่ง่ายๆเวลาที่เราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณพูดแค่คำเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะ หรือว่าคุณพูดว่าสวาัขาโตปักขวตาธรมโมอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าธรมโมเนี่ยเป็นสวาาททัขาตธรรมจริงหรือคุณพูดว่าสุปฏิปันโนปักขวโตสาวปักขสังโคเนี่ยลหลายๆลายคนก็สวดมนต์อย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าหมู่ที่คุณกําลังพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยเป็นสุปฏิปันโนจริงแต่ถ้าการกล่าวของเราเนี่ยเป็นการกล่าวแค่ว่าจำจำมาแต่ไม่ได้มีความมั่นใจความลงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยการพูดของเราตรงนั้นก็ไม่เป็นการพยากรณ์โดยชอบแต่ว่าถ้าเราจะทําการ พูดของเราตรงนั้นให้เป็นการพยากรณ์โดยชอบโดยไม่เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เคยบอกไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าเรามีการฟังธรรมและมีการปฏิบัติธรรมแลนะให้เห็นส่วนที่เป็นความประนีตเป็นความยิ่งขึ้นไปมีส่วนเปรียบเทียบระหว่างธรรมดำกับธรรมขาวแต่ทาให้เราเกิดความแน่ใจเฉพาะธรรมบางอย่างในธรรมะนั้นๆตามที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้เนี่ยเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าตรงนี้คือมีศรัทธานะ คือเรามีศรัท ธ, ธาแล้วเน่เราจะมีความมั่นใจแต่ศรัทธาก็คือความมั่นใจว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นสมมาสมพุทธ h และพระธรรมเป็นสวัสดิตะแต่สงสาวก ข, ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นสุปฏิปันธนะแต่การพูดของเราที่ว่าสวัสดิ์ตัวพระพธาธโมหรือว่าสุปฏิปโนพระพโตสาวกสังโคเนี่ยก็จะเป็นการพยากรณ์โดยชอบแต่เรื่องมรรคผลนี่ก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มรรคผลบางคนก็จะพยากรณ์มรรคผลของตัวเอง เว่าฉันเป็นโสดบานบ้างฉันเป็นอรหันต์บ้างในการพยากรณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอไว้ใ น, นบุคคลที่อวดอ้างมรรคผลของตัวเองเนี่ยด้วยเหตุอยู่5ประการอันนี้ได้เคยตรัสไว้กับท่านพระอุบาลี1อวดอ้างมรรคผลเพราะว่ามีอยู่จริงเอาคํานี้ก่อนทุกฝว่งเพราะว่าคัพท์นี้บางทีต้องอธิบายกันให้เข้าใจคําว่าอวดเนี่ยหมายความว่าคุณไม่สามารถแสดงให้เขาดูได้ อาจารยสมมุติวา่าเรามีทองคําเส่นหนึ่งเราก็แสดงทองคําให้เธวโชว์ให้ดูเลยอันนี้คือทองคําในกิริยาในการที่เราโชว์ให้เขาดูนี่คือแสดงให้ดูไม่ใช่ว่าเป็นการอวดถ้าเปรียบเทียบกลับมาในคุณธรรมต่างๆแต่ยกตอย่างเช่นถ้าในธรรมะวินัยนี้มีวิชาเช่นว่าการรู้วาระจิตคนเป็นต้นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบุคคลที่รู้วาระจิตคนเขาจะแสดงให้ดูแต่เขาก็ทําให้ดูเลยกระทักคุณขึ้นมา แตนะ่ซึ่งการทักตรงนั้นต้องไม่ใช่มายากลนะแต่ต้องไม่ใช่เรื่องที่แบบอาศัยความคาดเดาหรือว่าเป็นมายากลหรือาอาศัยทริกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คาดเดาได้ถูกแต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลสมาธิทําให้เกิดวิชานี้ขึ้นอันนี้คือแสดงให้ดนะูการแสดงให้ดูที่ตัวเองมีจริงๆเนี่ยเขาไม่เรียกว่าอวดแต่ก็เรียกว่าแสดงแต่คําว่าอวดนี้หมายถึงว่าบางทีมันไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ อย่าเช่นอารหันอย่างเงี้ยความเป็นอารหันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมีฤทธิ์มีอะไรแต่หมายความว่าจิตใจนั้นปราศ จ, จากกิเลสหรือโสดาบันอย่างเงี้ยคุณไม่ได้จะดูได้ว่าอ๋หน้าตาอย่างนี้เป็นโสดาบันหรือมีการกระทําแบบนี้เป็นโสดาบันบางทีมันดูไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าโสดาบันที่เขาเขาเป็นกันที่ใจแต่คุณไม่สามารถที่จะปาดเลือดออกมาว่าอ๋อเลือดสีน้ําเงินเป็นโสดาบันสขีขาวๆหน่อยก็เป็นอารหันมันไม่ได้ดูกันได้อย่างนั้นแต่จึงแสดงให้ดูไม่ได้ แต่จริงได้แต่พูดเฉยๆในการพูดในสิ่งที่ตัวเองมีจริงก็ตามอันนี้เขาก็เรียกว่าอวดตัวนี้จึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเาตรัสไว้กับท่านพระอุบาลีแต่ว่าคนที่อวดมักผลของตัวเองเนี่ยนนหนึ่งในเหตุ5้าอย่างนั้นก็เพราะมีจริงๆก็มีจึงพูดขึ้นมาซึ่งบุคคลที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเห็นได้ตามที่เราพูดขึ้นมาแต่มันเป็นความจริงนะถึงแม้ความจริงตรงนั้นก็เรียกว่าอวดเหมือนกัน เนื่ว่าเป็นสิ่งที่คนหนึตรวจสอบไม่ได้แต่นะเราแสดงให้เขาดูไม่ได้แต่นะก็จึงใช้คำมาอวดพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสกับท่านพระอุบาลีว่าคนที่อวดมักผลเพราะมีจริงก็มีแนะคนที่อวดมักผลเพราะความรู้น้อยก็มีคนที่อวดมักผลเพราะมีความปรารถนาลามกคนที่อวดมักผลเพราะเข้าใจผิดก็มีคนที่อวดมักผลเพราะว่ามีจิตฟุ้งซ่านมีความวิกลจริตก็มีแล้วก็ที่อวดมักผล ว่าเป็นจริงๆก็มีใน่เช่นในการอวดตรงเนี้ถามว่าที่คุณอวดว่าคุณมีเป็นการพยากรโดยชอบหรือไม่แต่ถ้าเป็นการพยากรโดยไม่ชอบ่ไม่พยากรโดยชอบก็คือตัวเองไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่หนคิดว่าฉันได้บรรลุแต่แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมะของบุคคลที่น้อมไปนิพพานโดยชอบแล้วก็จะทํากันแต่ยังปฏิบัติในสิ่งที่มีความเสียแทงต่อคนที่เขาจะน้อมไปนิพพานโดยชอบเช่นอะไรบ้าง เช่นการที่ด่าว่าคนอื่นการพูดทิ่มแทงเสียสีเขามีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดมีการยกตนข่มท่านอย่างเงี้ยเป็นต้นและมีการตีตนเสมอท่านอันนี้มันคือปฏิบัติไม่ดีแต่เมื่อมีการปฏิบัติมีการกระทํามีกระระที่ไม่ดีในการที่คุณพูดจริงได้สิ่งหนึ่งออกมาแต่มันเป็นการพยากรณ์โดยไม่ชอบแต่เป็นการไม่พยากรณ์โดยชอบพระพุทธาปเปเรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ฟัง เปรียมือนกับคนที่เป็นแผลคนที่เป็นแผลเน่ยเพราะว่าถูกลูกศรเนี่ยทิ่มตาแล้วก็ลูกศร น, นี่ก็อาบยาพิษด้วยแล้หมอเขาก็มารักษาโดยการที่เอามีดเปิดปากแผลนะเนี่ยใช้มีดเนี่ยตัดที่ปากแผลนะแล้วก็ใช้เครื่องตรวจหาหัวลูกศรเนี่ยดึงหัวลูกศร อ, ออกมานะเสร็จแล้วก็แต่งแผลให้ดีตรงไหนที่เนื้อมันเละมันย่นมันบวมมันอักเสบแล้วก็ตัดทิ้งบีบออกบีบน้องออกอะไรออกต่างๆแล้วก็ใส่ยา นที่จะถอนพิษที่มากับหัวลูกศรใส่ ย, ยาที่จะถอนพิษที่เกิดจากการอักเสบแต่ของตัวแผลเองเสร็จแล้วก็ปิดแผลเอาไว้ให้ดีและใส่ ย, ยาเรียบร้อยละสั่งกับบุคคลนั้นว่า้คุณต้องรักษาแผลอย่างดีนะอย่าเที่ยวไปกินของแสลงอย่าให้ถูกน้ําถูกลมถูกแดดและอย่าให้เลือดเคลืกรังปากแผลรักษาให้ดีทําความสะอาดแผลให้ดีแต่หมอก็ไปเรียบร้อยคนนี้เขาเป็นแผลในตับั่งที่หมอมาส่ ย, ยารักษาแผลเรียบร้อยแล้วนี่ เขาจะรู้ได้อย่างไรน่ะว่าแผลเขาหายจริงๆมันง่ายมากจมูกฟังคือถ้าเขาเอาตามที่หมอบอกแต่ว่าเอาได้ไม่เต็มที่นะ่ะคือเอาเฉพาะตรงที่หมอบอกว่าอะคุณหายแล้วนะแต่ไม่ได้เอาตรงที่หมอบอกว่าต้องรักษาแผลให้ดีนะ่ะไม่ได้เอาตรงนั้นมาใส่ไว้ในใจในะการกระทําของเขามันะก็จะเป็นการกระทําที่ไม่ชอบนะ่ะคือไม่เต็มที่นะ่ะก็จึงไม่เที่ยวดูแลรักษาแผลให้ดีและไม่ล้างแผลตามเวลาไม่ใส่ ย, ยาตามเวลา กลับไปกินของแสลงด้วยเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้ถูกลมถูกแดดแผลก็บวมเป่งขึ้นมาอีกไอ้ที่มันหายไปแล้วมันก็กลับมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดการกระทํารมโดยไม่ชอบเรียกนิกรีว่าเป็นการกระทําโดยไม่ชอบก็เปรียบเหมือนกับบางคนที่คิดว่าตัวเองได้บรรลุเดีอาจจะบรรลุจริงๆก็ได้หรืออาจจะบรรลุไม่จริงก็ได้แต่ว่ามีการกระทําที่ไม่ชอบนอย่างที่ว่านี่แหล ะ, ละเช่นไปทําสิ่งอะไรที่มันจะเป็นการเสียดแทงต่อธรรมวินัย เช่นการด่าผู้ประวิทิ์พรมจรรย์ด้วยกันหรือว่าการที่ยกตนข่มท่านที่ตนเสมอท่านเป็นต้นเนี่ยมันก็ทําให้มีความเสียดแทงต่อไอ้สิ่งที่เราเคยคิดว่าเรารู้เราได้แล้วแต่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่หายในการพยากรณ์ของบุคคล น, นั้นก็ชื่อว่าเป็นการที่ไม่พยากรณ์โดยชอบเพราะว่ามีการกระทําที่ไม่ดีในทางตรงกันข้ามท่านฟังแต่ถ้าบอกว่าบุคคล น, นี้แล้วเขาเชื่อฟังหมออย่างดีเขาเชื่อฟังหมออย่างดีในทุกๆคําที่หมอพูด หนะมอบอกว่าหายแล้วแล้วหมอก็บอกว่าต้องรักษาแผลให้ดีอย่า ก, กินของสแสลงแล้วนะเขาก็ปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างเห็นไหมมีการปฏิบัตินะมีการกระทำมีการกระทำมีการปฏิบัตินะการกระทำการปฏิบัติของเขาตามที่หมอสั่งแล้วนะก็ทาให้แผลเนี่ยปิดสนิทนะเนื้อ ง, งอกขึ้นเต็มแผลปิดสนิทก็สบายนะหายอย่างสนิทใจ แต่ก็เปรียบเหมือนกับคนที่คิดว่าตัวเองได้บรรลุในขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วก็มีการกระทําในที่มันเหมาะสมของคนที่เขาจะมีคุณธรรมก็จะทํากันเช่นการที่มีความเมตตากับบุคคลอื่นเช่นการที่เราจะมีความสมัครสมานสามัคคีไม่ยกตนข่มท่านเป็นผู้มีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อระเบียบเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังมีจิตที่เป็นมหากติมีจิตใหญ่ มีจิตที่เป็นไปด้วยความเมตตากับบุคคลอื่นๆเออการกระทําของเขานี่มันดีเป็นการกระทําที่ดีกระทํามีการกระมีกการกระทำํำจ่งได้ที่เขาพูดออกมาเป็นการพยากรณ์ที่โดยชอบได้แต่เป็นสิ่งที่ดีได้และถ้าเรากลับมาดูที่ตัวเนื้อหาอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าพยากรณ์ตนด้วยตนได้เลยว่าคุณเป็นโสดาบันแต่ก่อนนั้นๆพูดอะไรมาแต่ก่อนนั้นๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเห ต, ตุอะไรที่คุณจะต้องกระทํา แต่เพื่อให้คุณสามารถที่ทรัพยากรณมีการกระทําในะที่คุณทําบ่อยๆทํามากๆแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าเราไม่ไปตกนรกแน่นอนแลนะสิ่งนั้นคือโสตาปฏิยองแค่สี่เป็นต้นอย่างเงี้ยในที่พูดถึงว่าเรามีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์มีสีลนั้นเป็นที่รักของพระอริเจ้าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยเป็นต้นเนี่ยในสอย่างนี้ แต่ถ้าเรามีการกระทําชนิดที่ว่าดีมากมากการกระทําชนิดว่ามีความช่ําชองมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญการกระทําตรงเนี้มีคำมัก ร, ะ, ระคือกระทําและจึงเป็นผลให้เกิดสิ่งที่เรียกพยากรณ์ได้พยากรณ์รได้เพราะกระทำแต่ผูฟังให้จําคํำนี้เอาไว้เลยพยากรณ์ได้เพราะกระทํา ม, มากๆไม่ใช่พยากรณ์ได้ประจําได้ไม่ใช่พยากรณ์ได้เพราะคิดเอาเองไม่ใช่พยากรณ์ได้เพระาะว่ามีการกระทําที่น้อยไม่ใช่พยากรณ์ได้เพราะว่ามีความฟุ้งซ่านวิกลตจลิต แต่พยากรณ์ได้เพราะมีการกระทําการกระทําในเหตุตามที่ปปุติชาบอกแล้วกระทําอย่างมากกระทําอย่างชํานาญกระทําอย่างบ่อยๆกระทําอย่างชนิดที่รียกว่าถ้าสับหมูเนี่ยก็สับจนมันเนียนแต่ถ้ากวนดินแล้ก็กวนจนละเอียดหรือถ้าเอากระดาษทรายมาขัดไม้ก็ขัดจนมันเนียนหรือถ้าเป็นช่างทองแล้วเขาก็หลอมทองจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันทองนั้นก็นุ่มทองนั้นก็อ่อน มีการกระทำที่เหมาะสมอย่างนี้การพยากรณ์นั้นเป็นการพยากรณ์โดยชอบได้เพราะอาศัยเหตุคือการปฏิบัติคือการกระทำนั่นเองเวลาหมดจริงๆแล้วต้องระวังเดี๋ยวนี้รับพระชาพระมหาภบุญอภิปุณโญจากบัดนป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนถ้าเราจะพึ่งพยากรณ์พึ่งพยากรณ์โดยชอบพึ่งพยากรณ์จากการปฏิบัติดีจากการปฏิบัติชอบของเรานั่นเองเจริญพร